เชิญกัา แต่การไม่ก้าร่วงเนี่ยเขาจะออกไปตามลำดับเลยนะเอาวิจิกามานเนี่ยหรือตัวเศนจริงๆเนี่ยไม่ใช่ต่างๆและก็ไม่ใช่เป็นของเล็กๆเศีเนี่ยพูดตั้งแต่ระดับชั้นกุศลจิตแล้วก็จะเดินเป็นไปตามดับไปจนถึงมหาคตะจากมหาคตาจนถึงโลกุตราก็มีเศนะศีไม่ใช่เรื่องเล็ก ไม่ใช่เรื่องเล็กอย่างที่คิดสีเนี่ยจะเริ่มพัฒ น, นาจากเนี่ยเริ่มต้นๆเนี่ยจากตั้งแต่เริ่มข้อวัดเลยจากปฏิโมกสัง ว, วร ศ, ศนนนะวรอีอาชีวะบริสุทธิสีลปัติยะสนิสิตาสีเนี่ยนะแล้วก็จย่างในเรื่องของอาชีวะบริสุทธิ์สีปัติยะสันนิสิตาสีไม่ต้นเนี่ยเริ่มเป็นต้นแล้วก็ขัดกลียวไปจนถึงออกจากนิวออกจาก ออกจากอักษรคำบทชสิกออกจากนิวรณ์เป็นต้นเป็นไปตามลําดับเลยนะจนยันบตรอมญชานตุเดชานะตัวภูสุรศีมันก็จะเดินไปเรื่อยแต่ตัวไหนเดินได้ก็เดินถ้าในมหากษัตริยวิรตีไม่เข้าไปและเจตนาแปไปด้วยนะเจตสิกตัวอื่นไปนะเนี่ยสังวรไปอยู่นะเนี่ยนะแล้วก็ตัวอวิติกมากการไม่เข้าร่วมกั็ไปอยู่ไงนะเข้าไม่เข้าจนถึงชั้นของโลกุตระพ้นทุกข์ ถามว่าในมรรคมีสีไหมเห็นไหมมีมีมีสัมมาวจาอย่นั้นไหมสัมมารกรรมตะยะนั้นไหมสัมมาชีวายะนั้นไหมมีตัวเจตนาไหมอา้าวสีเห็นไหมทีนี้มีความไม่โลภในนั้นไหมมีความไม่โกรธไหมหมู่มเห็นไหมตัวเจตสิกสีเต็มหมดเลยัน้นตัวเจตสิกสีก็ไปไประชุมเป็นสิกขาสาม คือศีลสมาธิปัญญาก็ไปประชมุมในโลกรุตละนู่นใช่ถึงโลกรุตระธรรมมีนิพพานเปลลงนั่นแหละก็ไก่ต้องใช้ยันดรไหมนั่นศีลก็ต้องใช้ยันนู่นแหละศีลต้องใช้ยันโลกรุตละธรร ม, มไปไ ป, ไปถึงนู่นเลยโลกุตระเลย ต้องไปเกื้อน ห, นหนุนนู่แหละมักให้เกิดขึ้นเลยเข้าใจครัาสีเลนันนี้ปูตินยันติยังเข้าใจยังใจ่เนี่ยสีเลนนนี้ปูตินยันติสีน่ะสีน่ะสามารถนู่นมีนี่พานเป็นอารมณ์ได้เลยเข้าใจยังใช่ ตกลงศีลสำคัญัหมสำคัญนะถ้าไม่มีศีลพ้นทุกเรื่องไหมถ้าไม่สมาทานศีลจะทำไงในชีวิตไม่ต้องสมาทานศีลได้ไหมต้องสมาทานไหมไม่สมาทานขาดก็ทํำงานพุทธเจ้าเลยยุ่งเงลยต้องไปต้องไปตอบปัญหาก็ไม่ได้เลยนะถ้าตอบปัญหาท่านกูรู้ไม่ได้ก็ถามขึ้นมาติดเลย อาต่อไปแยกเจตนาในีเวลาเหลือน้อยแล้วมีตอนนี้ยังไปเจตนาต้องกลับมาย้อนดูเจตนาอยู่นะเนี่ยทำไมต้องมาย้อนเจตนาแต่เนี้ยตอนนี้ถือว่าเรียนละเอียดพอสมควรนะใช่ไหมถือว่าละเอียดแล้วเนี่ยมาถ้าเท่าที่ามาบรรยายศีลมาเนี่ยเท่าที่จะทำได้วันนี้นี่นะ เม่รูจะต้องกลับมาพูดใหม่หรือเปล่าเรศีลทีนี้จะพูดระหว่างเจตนาศีลกับเจตสิกศีลใช่ไหมเจตนาศีลกับเจตสิกศีลเขาเป็นธรรมที่เกิดร่วมกันทีนี้เวลาเขาเกิดร่วมกันเนี่ยเข้าใจว่าเจตนาศีลได้แก่อะไรพอจะจําได้ลนะเลยเนาะเจนาเจสิกเนาะที่เป็นไปกับการกวนเว้นบาป ท, ทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยนะ เจตนาศิกศีนได้แก่ตัวหกตัวนี้นะสมมาวิจารสมากรรมตาสมาชีวาไม่โลภไม่โกรธแล้วก็ปัญญามีจำง่ายๆอยอางนี้นะได้หกตัวในเจตนาศีลกัเจตสิกศีลเขาขัดกันผัดเปลี่ยนกันบางครั้งเจตนาศีลเป็นประธานบางครั้งเจตสิกศีลเป็นประธาน ถ้าไปใดเป็นประธานไปที่เหลือก็อนุกูลตามคล้อยตามอนุโลมตามมันแล้วก็ใครจะวิเศษยิ่งกว่ากันถ้าเจตนาวิเศษยิ่งกว่าเจจะเสสิกศีนก็คอยคอยเกื้อนหนุนและช่วยเหลือถ้าเวลาใดเจตสิกศีนวิเศษยิ่งกว่าเจตนาศีล ก, ก็อยู่ในฐานะคอยค้อยตาม ไม่ใช่ว่ า, อ, าอยากใหญ่ไปใหญ่ไปที่เพราะเขาจะไม่แตกแยกกันเอเหมือนคนทะเลาะกันเขาไม่ใช่อย่างนั้นเขาจะเกิดด้วยกันไอเจตนาเนี่ยเจตนาศีลกับเจตสิกศีลเนี่ยเขาจะเกิดด้วยกันเกิดพร้อมกันด้วยทาหน้าเป็นสหาชาติเกิดพร้อมกันไหม ในแต่ะกุศลจิจนะคือเจตนากับเจตสิกเนี่ยก็จะเป็นสาชาตะแต่ไม่ใช่ทุกตวเรต้องรู้ด้วยนะที่พูดพูดโดยรวมเป็นสาชาตานิสยะเกิดพร้อมกันด้วยอาศัยกันด้วยเป็นสาชาตาัิทีเกิดพร้อมกันด้วยยังมีอยู่ด้วยสาชาติวิคตะเกิดพร้อมกันด้วยยังไม่ปราศจากเลยด้วยเป็นอัญญาบรรยักษ์คำว่า ทำว่าแก่การอะไรซึ่ง ก, การอะไรหมายบอกว่าเขาขากันไม่ได้ขากันไม่ได้แล้วก็เป็นสัมประโยชน์ต่ประกอบกันนี่ก็เข้าใจเลยนะที้เมื่อเขาเกิดร่วมกันในลักษณะนี้เพราะเกื้อหนุนกันอย่างนี้มันอยู่ตรงว่าใครจะวิเศษยิ่งกว่าในขณะนั้นในเวลานั้นตอนนี้พูดถึงเจตนาวิเศษยิ่งกว่าตัวเจตสิกศีนก็มา เกื้อกูลคอยตามแล้วก็ไปตามเจตนานะหรือบางครั้งบางค่าวเจตสิกศีนี่วิเศษยิ่งกว่าเจตนาก็คอยตามเกือก่อหนุนเป็นไฟในรักษาหญิงนะอันนี้แปลว่าเ็เป็นธรรมะที่เกิดร่วมกัน น, นี่เป็นไปอย่างนี้นะทีนี้ถ้าทำความเข้าใจตรงนี้ก็คือว่าถ้าเจตนาศีน เจตนาศีงก็แก่เจตนาที่เป็นประธานที่ประกอบไปด้วยการขวนขวายในะในการที่จะงดเว้นจากบาปทางกายและทางวาจาชนวิรัตเนี่ยนะก็หมายความว่าเป็นผู้วิรัตอยู่จากทุจริตทั้งหลายงดเว้นเนี่ยวิรัติแต่โอ้งดเว้นนะงดเว้นจากกา ย, ยทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตเนี่ยเนี่ยจริงๆเนะี่ยตัวมนโนทุจริตต่างๆเนี่ยมันเกิด อ, อยู่แล้ว ทีนี้ในสองประการเนี่ยถ้าเทียบเคียงเทียบเคียงในการใดดังที่ได้กล่าวพระพุทธเจ้ากล่าวเนี่ยดูก่อนพิสูจทั้งหลายนะัในกายสังเจตนาสามก็หมายความบอกว่ากายกรรมที่เป็นกุศลวัจีกรรมที่เป็นกุศลมโนกรรมที่เป็นกุศลเนี่ย เ, ยเอากายกรรมที่เป็นกุศลเนี่ยนะ เจตนาที่เป็นอยู่เช่นนี้จะเป็นเหตุแห่งการงดเว้นกายกรรมที่เป็นกุศลเนี่ยนะเจตนาที่เป็นไปในลักษณะนี้เจตนานั้นจะเป็นเหตุแห่ง ก, การงดเว้นจากการฆ่าเป็นเหตุแห่งการงดเว้นจากการลักการบูรพิธิกรรมหรือถ้าว่าเกี่ยวในเรื่องของกายสรรเสเจตนาประเภทที่เป็นไปกับวจีกรรมวจีสรรญเจตนา คือการลดเว้นจากการพูดเทศส่อเสียดทำอยางเพื่อเจอะอันนั้นคือเจตนามาจัดแจงถ้าเป็นด้านหนึงใจก็คือไม่โลภไม่โกรธและปัญญาขึ้นไอตัวเจตนามีตัวจัดแจงจัดแจงให้ความไม่โลภเกิดขึ้นจัดแจงให้ความไม่โกรธเกิดขึ้นจัดแจงให้ปัญญาเกิดขึ้นตัวนั้นแต่ว่าเจตนาวิเศษยิ่งกว่ายิ่งกว่าเจตสิกเพ้าใจนะ ยิ่งกว่าเจตสิกยิ่งกว่าความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญายิ่งกว่าสัมมาวจาสัมมากรรมตาสัมมาชีวะอย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะไม่เกิดพร้อมกันทั้งหมดอันนั้นก็ว่าไปแต่ว่าตอนนั้นเจตนามาริเศษยิ่งกว่าลักษณะอย่างเนี้ยเจตนานั่นแหละส่วนวิรัตนะ พวกสัมมาวาจายาสัมมากรรมตัสสัมมาชีวะความไม่โลภความไม่โกรธปัญญาเนี่ยที่ประกอบเจตานานั้นก็เป็นฝักฝ่ายค้อยตามอนุโลมตามเดินตามใช้คําว่าเดินตามนะเป็นจานวนนะคําว่าเดินตามได้จริงเกิดพร้อมกันไหมพร้อมกันแต่ว่าเจตานาก็วิเศษกว่าอย่างนี้เป็นไปส่วนของกายสังเจตานาวจีสังเจตานา เป็นต้นแล้วก็มโนสังเจตนาใช่ไหมเจตนาสามเราเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาเปดเสร็จแล้วที่เป็นไปในส่วนของกายสังเจตนาวจีสังเจตนามโนสังเจตนาที่เป็นกุศลนี่เป็นพุทธพจน์ถ้าในกรณีอย่างนี้แปลว่าเจตนานั้นใหญ่กว่าไหมเป็นประธานแล้วบ่อยไหมชีวิตอ่ะดูชีวิตจริงเคยตั้งใจในการที่จะไม่ฆ่าสัตว์ไหม แล้วก็ทำให้เกิดปัญญาเข้าใจโอ้เราคิดถูกเราตั้งใจไวถูกดีแล้วหรือบางทีโอ้ดีแล้วเกินเนี้ยทำให้ลองงดเว้นไดน้ไอเจตนาก็วิเศษยิ่งกว่าใช่ัม้มก็เป็นไปไนั้นเกิดจาความตั้งใจก็จะการสมาทานนั้นการตั้งใจบ่อยๆดีไหมตั้งวันละหลายร้อยรอบตั้งไปห นั่นแหละมันจะเป็นเหตุเป็นประจัยเราเข้าใจเจตนาศีลกรณีลักษณะอย่างเนี้ยแม้เจตนาในความจงใจจัดแจงในการที่จะบำเพ็ญวัดให้เต็มกลับไปจะ ก, กว่าในฐานะเป็นลูกในฐานะเป็นแม่ที่ควรปฏิบัติต่อพ่ อ, อยังไงต่อลูกยังไงไหมเอแล้วไปยังไม่มีใครมา เราเป็นแม่ไม่ควรทําข้อวัดข้อนี้ไม่ใช่นะไยเมตามาออกบิณฑบาตมาเป็นพระเพราะนั้นสาวมากกว่ามีพระอยู่ด้วยภาษาน้อยกว่าที่มากลับมาก่อนดูให้ไม่ได้ลแล้วว่าล้วนอนพระ ก, ก่อนดีกว่านี่ไม่ควรแก่อมาเมตมาก็ต้องมาจัดแจงดิทําก่อนจัดแจงจัดของถูปักกวาดเพราะเมตตาบอมเป็นวัดอย่างเงี้ยเจตนาต้องเกิดใช่ไหมนี่เขาเรียกเจตนานี่เป็นจารี อันนี้เป็นข้อวัดที่ทําอย่างนั้นก็ทําตามข้อวัดเพื่อจะทําข้อวัดให้มันเต็มให้มันบริบูรณ์เพื่อจะได้ไปเกื้อกูลปาติโมกข์สังวรสีของอรมาพวกเราก็เหมือนการกรณีที่สี่ห้าที่มันบกพร่องกระพร่องกระแพร้นเพราะข้อวัดไม่บริบูรณ์อย่า น, นี้เราก็เริ่มไปถมให้เต็มต่อไปมันจะได้ไม่จบ เนี่ยกลับไปก็ไปถมไปทำให้มันเต็มเข้าใจใช่ไหมชัดไหยตรงนี้แล้วใครยังไม่เข้าใจเอ่ะข้างหลังเข้าใจว่ะนี่เขาเรียกว่าเจตนาความจงใจจะจัดแจงข้อวัดให้บริบูรณ์คาว่าข้อวัดในที่นั้นก็แปลว่าอะไรหน้าที่อ่ะทําหน้าที่ไปด้วยจิตเป็นยังไงจิตต้องเป็นกุศลไหม ต้องเป็นกุศลมันถึงจะบริบูรณ์อย่างเงี้ยเขาเรียกข้อวัดอบูชาพุลของใครพระพุทธเจ้าพราะพุทธเจ้าบอกเขาไว้บอกอย่างนี้หวังดีกับเราเนะี่ยเพื่อต้องการให้เรานะั้นอ่ะพอบพูลข้อวัดให้บริบูรณ์ศีลจักบริบูรณ์ได้จริงไหมโยมทุคลตนี้ชัดไหมข้อ น, นี้ยนี่เขาเรียกว่าเจดนามาอยู่ในฐานะเป็น เป็นประธานหรือวิเศษกว่าเจตสิกสีน์แต่วันนี้ไม่เข้าใจมันก็ยั่ทำยังไงนะทำไมเอาสายโซลารพักสองอาทิตนะก็รู้ว่าสั้นจะต่อมยาวไนเพื่อบอกว่าไปท่องอยู่เรื่อยเลยครับมาสัญญาสั้นสัญญาสั้น ท่องหลบเลี่ยงคำสอนไม่เหมาะเลยใช่ไหมวิธีคิดเนี่ยเขาคิดยังไงยังหวานเขาคิดบอกว่าวันนี้ความจำเราไม่ดีจำอะไรได้สั้นๆแต่จะมีสักวันหนึ่งในอนาคตที่เราจะจำชื่อตัวเองไม่ได้เลย <S 2> <S 2> <S 2> <S ตอนนี้ยังพอที่จะเจริญกุศลได้ จึงต้องระดมความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุทําให้แก่มซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งวิธีคิดมันต้องอย่างนี้ไม่ใช่เหรอมันความจําไม่ดีมาปล่อยดันพูดเลยสิเข้าใจยังถ้ามันมันต้องเป็นแบบนี้ไหมอาถามว่าอายุ เดินไปเรื่อยๆความจํามันจะยิ่งวิเศษยิ่งไหมน้นาเข้าเนี่ยก็ถามว่าจําชื่อตัวเองได้ไหมรดน้ําตาไหลจําไม่ได้จาไม่นะเป็นอย่างงั้นจริงเยอะไหมก็ลองคิดดูขนาดเราตั้งใจขนาดนี้มันยังแอบหลับตลอดหลายคนไม่อยากหลับนะจริงไมัียไม่อยากเป็นหรอก ใครที่อยากเป็นมาเจริญกุศลมานั่งหลับเนี่ยไม่ได้บุญนี่ไหนแล้วแต่ว่าเพราะความจำหรือสติไม่แข็งแรงแต่ตอนนี้ยังเจริญกุศลได้เนยแต่จะมีสักวันหนึ่งในอนาคตรเราจ ะ, จะเจริญอะไรไม่ได้เลยเจริญเรื่องอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ต้องระดมความเพียร น, นี่ยังต้องรีบรดระดมต้องไม่ประมาทอันนั้นไม่ใช่ขู่เกิดแน่นอน ทุกคนเป็นอย่างนี้ยงตอนนี้ยังถอนแด้แต่ต่อไปใจเฉิญไม่ได้ฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าโอ้โหอายุเท่า น, นี้เท่า น, นี้แล้วนะใช่ไหมมันไม่ใช่แค่นั้นต้องรีบระดมเพราะต่อไปเนี่ยเรียบร้อยเราจะได้ไม่ได้มีฐานะมานั่งฟังอมาก็จะมานั่งบรรยายไม่ได้อีกแล้วอ น, นาคตเกิดแน่นอนแล้วก็อนาคตที่ไม่ไกล ต่างฝ่ายต่างก็ย่ำแย่กันไปแถวๆปันอยู่ก็ก็ถึงบอกไงบอกว่าจริงๆแล้วก็คือพวกเราเนี่ยมันนับโทษทหารรอการเข้าเข้าที่ค่าเขาเขาตัดสินแล้ววันที่ถือปฏิสันทินั่นแหละนั่นแหะคือการถูกประหารสั่งให้ทหารชีวิต พวกเราเนี่ยให้จำเอาไว้เลยนะว่าเป็นนักโทษประหารไม่ใช่นักโทษประเภทที่ติดคุกตลอดชีวิตด้วยนะเ้าเรียกนักโทษประหารรอเวลาถูกประหารตอนนี้กำลังเลียงคิวปั๊บมาอมกแล้วก็ใกล้ตัวแล้วเราจะทำอะไรชีวิตที่เหลือเนี่ย ถ้าไม่เจริญกุศลถ้าไม่ระดมความเพียรเนี่ยเราจะทําอะไรอ่ะต้องเร่งดีจริงๆามาถึงเตือนแล้ ว, เ ต, ออ เ, ตลวเตือนอีกเตือนแล้วเตือนอีกจะไม่เป็มันยเตือนจริงๆไ ม, ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เบไม่ใช่ว่าพูดทุกครั้งามาเตือนทูกครั้เอาสิจะหนีไปไหนหนีที่ก็ถูกล็อกไว้แล้ววิ่งไปไหน เขาประตาปรหารเหมือนคนติดคุกอ่ะวิ่งไปก็ลอกคุกอยู่ทค่นี้ก็ถูกฆ่ า, าวิ่งเหนื่อยเปล่ามีอย่างเดียวยอมรับเสียเถอะว่าเราเนี่ยเป็นนักโทษประหารแล้วไม่ใช่ยอมรับแล้วอะไรจะเกิดก็เกิดนี่ไปคิดอย่างนี้ในจุ้งอีคิดอย่างโมหะจนอีต้องระดมความเพียรอย่างเดียวยิ่งๆต้องคิดอย่างนี้จริงๆ ถ้าไม่คิดอย่างนี้บ่อยๆนะถ้าไม่เตือนตัวเองบ่อยๆนะเราจะไม่รู้เลยใช่ไหมแล้วขนาดคิดอย่างนี้บ่อยๆแล้วยังไม่คิดเลยเราไม่ได้นักโทษเว้ยเราไม่ได้ถูกประหารแล้วก็คิดนี้แท้จริงคือนักโทษปรหารแล้วติดคุกด้วยแล้วออกจากคุกไม่ได้ด้วย หนีไม่พ้นเนะ่ยแต่มันมีเรื่องที่เราต้องระดมความเพียรที่จะออกจากสังสารวัตได้นี้อยู่มีช่องทางอยู่ทางมีอยู่อ่ะคนบอกทางก็มีอยู่คนที่ก็เดินแล้วบรรลุก็มีอยู่ใช่ไหมแล้วเราไม่เบิไม่เดินไม่บไม่เดินก็จะเข้าสู่ทางนั้นมันไม่ใช่ความผิดของทางมันไม่ใช่ความผิดของทางเข้าใจใช่ไหม สะาดน้ําก็มีอยู่ใช่ไหมก็จะให้ทำความสะอาดชําระสระสามมีอยู่การที่บุรุษเนี่ยเปื้อนทั้งตัวแล้วไม่ลุกไปโดดน้ําและอาบขาดสีเนะี่ยไม่ใช่ความผิดของสระเปความผิดของบุรุษนั้นฉันใดพวกเราก็ฉันนั้นเนี่ยมันไม่ได้มานั่งคิดว่าโอ้ยไม่ต้องอาบแล้วใช่ไหม รอเดี๋ยวมันก็ฝนตกมันมีรอเดี๋ยวสัมมันก็วิ่งมาหาเราเอย่างนี้ไปคิดอย่างนี้มันเรียกว่าไปคิดเหมือนไสเดือนกินดินไม่ได้กลัวเป็นดินจะหมดก็ค่อยๆกินเีมือนไม่ได้ถ้าจเจริญกุศลมีไปค่อยๆเป็นค่อยไปอย่างไส่เดือนกินดินดีนะอย่าคิดอย่างนั้นเดิ มันต้องคิดในลักษณะต้องระดมมต้องระดมความเพียรคำว่าระดมความเพียรในที่นั้นก็คือตั้งโยนิสมนสินสการเป็นต้นเนีน่ยนะเพื่อจะระดมสมาธิจิตเป็นต้นนะเพื่อจะระดมนั่นแหละศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเน่ให้เกิดขึ้นมันต้องระดมในลักษณะอย่างนั้น ถ้ า, าไม่ระดมในลักษณะอย่างเนี้ยนะเข้านะเข้าเรียบร้อยเลยก็มานั่งกอดเข่าเจา้ากอยู่ในสังสารวัตรเขาก็พ่นกันแล้วพ่นกันเล่าบลุแล้วบรรลุเราก็เหลือแต่เราอยู่เนี่ยมานั่งเนี่ยเป็นอย่านี้นะแล้วก็ออกอย่าว่าตาไม่ได้ใช่ไหมเสียหายไหมเสียเล ย, ยทีนี้เจตสิกสีนถ้าหากในกรณีที่เจตสิกสีน์นะ สัมมาวา a j สัมมากรรมจาสัมมาชีวะหรือความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญานี่นะมีความวิเศษอยู่ในฐานะเป็นประธานของเจรณาที่เป็นไปอยู่นะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดความไม่โลภเกิดขึ้นดังที่ถามเพราะความไม่โลภเกิดขึ้นมาปุ๊บ เกิดความไม่โลภมีความไม่อยากได้ไม่ยินดีพอใจในทรัพย์สมบัติของหมูคลอื่นมาเป็นของตนเองนะฮะไม่พอแค่นั้นแล้วก็น้อมในการที่จะปิดบาปประธรมทั้งหลายคือไม่ให้กายกรรมวทีกรรมเนี่ยเป็นบาปไม่ให้มโนกรรมเนี่ยเป็นบาปด้วยความที่มีอะโลภะแข็งแรงมากความไม่โลภเนี่แข็งแรงมากแล้วก็เป็นไปกับสุจริตสาม ถ้าในกรณีอย่างนี้เขาเรียกว่าเจตสิกสีเนี่ยเป็นใหญ่เป็นประธานส่วนเจตนาก็คอยตามคอยตามคอยเกื้อหนุนในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเจตสิกสีเนี่ยอยู่ในฐานะเป็นประธานเป็นใหญ่กว่าเจตนาใช่ไหมในชีวิตเราก็มาสังเกตว่ามีจริงๆบางครั้งก็อนนี้แหละเมตตานี่แหละมาเป็นใหญ่ใช่ไหม พมีความรักมีความเมตตามีความปรารถนาดีมีความเ อ, อื้อทนเคยเป็นไหมโยมนคนแบบแบบจับจิตจับใจอะเมตตาจริงๆเลยไม่ได้หวังอะไรตอบแทนมีความรักปรารถนาดีทั้งวาจาก็ปรารถนาจะพูดถู่ไหมเพราะเกิดความรักเกิดความเมตตาต่างๆนะเวลาจะพูดกับเขาก็พูดด้วยเมตตา ไอพูดด้วยเมตตาในขณะนั้นน้องไปเพื่อจะไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบแล้วก็ไม่พูดเพอ้อเจอ้อด้วยเมตตาที่เกิดขึ้นนั่นแหละมาตายเป็นเจตสิกสีนแล้วก็เป็นเขาวิเศษกว่าเจตนาวิเศษกว่าเจตสิกอื่นๆ เ, เขาก็อยู่ในฐานะเป็นประธานที่เหลือทำที่เกิดร่วมก็อนุกูลตามคลอยตามเห็นไหมก็เป็นไปลักษณะนี้ก็ทําสุจริตสามเดิมเคยเห็ยนไหมล่ะ ในลักษณะนี้เมตตาแล้เดินได้จะเดินเมตตาแล้วน้องขัดเกลว์ายกรรมวจีกรรมให้สุจริ์ให้หมดจดแล้วก็มโนกรรมก็ผ่องใสกายวาจาใจสะอาดไหมอย่างนี้เ้าเรียกว่าตัวเมตตาตัวอาโทสมาเป็นเจตสิกศีนอยู่ในฐานะเป็นฐานส่วนเจตนาก็อนุ ก, กูลคอยตามนี่ในนี้ อาชีวิตจริงเป็นไหมเราก็ไปประชมวิธีคิดหาเหตุปัจจัยที่มันเกิดในชีวิตจริงแล้วก็เดินให้ได้จริงๆบางคราวก็คือปัญญาเนมาอยู่ในฐานะเป็นใหญ่เป็นประธานแนละวิเศษกว่าเจตนาเป็นต้นใช่ไหมปัญญาก็วิจัยเลยเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องกรรมผลของกรรมชัดเจนมาก เข้าใจอะไรจนละเอียดแล้วอเบสเสร็จก็น้อมขัดเจากายกรรมวิจีกรรมนม่ปัญญาชำระศีลก็คือปัญญาเป็นศีลไดเองนล่ใช่ไหมเป็นศีลไดเองเลยใช่ไห ม, ไหมก็เข้าใจเบ็ดเสร็จก็น้อมไม่ฆ่าไม่รักไม่ประพฤติผิดในการน้อมในการที่ไม่พูดเทเ็จสอบเสียพ่อเห็นโทษนะเห็นคุณของการไม่ฆ่าเห็นโทษของการฆ่า เห็นผลปรากฏเลยอ่ะเห็นชัดชัดเลยอ่ะเอาพระเทวทัศน้อมนดิยาฆาพุทธยาดูพระเทวทัศตคติเป็นยังไงพระเทวทัศ ต, งงตกกเห็นไหมยังสงในแตกจากกันเห็นไหมโทษที่ทุสีนั้นเลยอ่ะแล้วก็เห็นอยู่หรือเห็นคนทําบาปประกรรมทั้งหลายเปรดก็มีเอาแต่มองไม่ชัดก็เป็นนั่งดูใบรรยาสัตเรเ่อนชัดแล้วก็มาคิดว่าทําไมก็ต้องเป็นนี่นะ ก็เหตุโทษของปาณนาดีบาตตินนาทานการเมสุมิจฉาจารเห็นโทษ ก, การพูดเท็จถ้าพูดเท็จเห็นชัดแม่คนที่เกี่ยวกับเนี่ค่องที่มีปากทั้งหลายใช่ไหมเราจะมีปากอย่างพวกปากของสัตว์นรกชอบไหมปากของสัตว์ดริฉานนี่ยชอบไหมล่ะหรือปากของเป็ดเนี่ยปากของสุ ร, รกายเนี้ยไม่น่หรือเป็นปากของมนุษย์ก็จริงนะ่ะแต่เป็นปากที่ เสียหายมากเลยโรคเต็มไปหมดเลยอ่ะซึ่งเราก็มีปัญหากันเยอะแยะเลยเข้าโรงซ่อมปากกันเป็นแถวเป็นแนวกนเนี่ยก็เป็นโทษจากการทุจริตทางวาจาทั้งนั้นเลยแล้วก็เห็นโทษอยู่ใช่ไหมก็เห็นคุณอยู่ว่าของการไม่ทุจริตอย่างนี้พอเห็นอย่างนี้ไปเสร็จปัญญาเข้าใจตัวกรรมแล้วก็เข้าใจผลของกรรม แล้วเข้าใจดีตรกำก็ชัดที่ได้ผลในปัจจุบันนี้แล้วปัจจุบันกรรมที่กําลังทําอยู่มันก็ต้องชัดการเข้าใจทั้งตัวกรรมทั้งตัวสัสัมภารกรรมใช่ไหมพอเข้าใจในลักศณะเนี้ยเ อ, อปัญญาเป็นกรรมได้อ่ะในฐานะที่เป็นการงดเว้นจากบาปกรรมได้มันเป็นศีลได้ก็เข้าใจคําว่าสัสัมภารกรรมตัวญานะที่เกิดรอบกับเจตนานีไ่ไหม ลาพังเจรน า, าตัวเดียวจะเป็นกรรมได้ยังไงถ้าไม่มีปัญญาเกื้อหนุนเนี่ก็เริ่มเข้าใจคำว่าสัมปยุทธเข้าใจคำว่าศาสชาตะชัดเจนไหมเนี้ยก็จะเข้าใจชัดขึ้นถ้าอย่างเนี้ยมันก็เห็นอะไรเห็นคุณของการมีศีลอย่างทองแท้เข้าใจพระปัญญาคุณของพระเจ้าไหมเข้าใจเข้าใจพระหมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าไหมเข้าใจพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระเจ้ดาด้วย ว่าพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาที่คุณดอดต่อเรามากมายยิ่งๆถ้าไม่มีพระบรมศาสดาประธานกุศลศีล น, นะเพื่อประชมในกระแสขันของยมมงคละยมมงคลเสียหายยมมงคลจะมีแค่กรรมสัญญาจะมีแค่โคจรสัญญาและมรณะสัญญามีสัญญาสาม้งนะมีน้อมไปในเรื่องของกราม น้อมไปในเรื่องการหากินน้อมไปในเรื่องการกลัวตายจะธรรมสัญญาไม่มีหรอกถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอุาบัติเกิดขึ้นมาบอกเนี่ยทำหากรุณาที่คุณขนาดเนี้ยเรายังไม่เห็นอย่างนี้ก็ทำให้เราลึกซึ้งในคำสอนของพระบรมศาสดามากขึ้นว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาประธานกุสรศีลมาบอกเรื่องศีลมาสอนพระธรรมคำสอน เราจะไปต่างจากอบัยศยยาสตร์ดีไงการมาสัญญาน้อมเรื่องการเห็นไหมวิ่งกันในพรานหมดแต่เรื่องการเห็นไหมเรื่องโคจรัสัญญาการเที่ยวหาอาหารเที่ยวเที่ยวหาทรัพย์เที่ยวในการจะสร้างธุรกิจสร้างเศรษฐกิจ ส, สร้างอะไรก็ว่าไปก็จะหาอาหารกินเนี่ยโดยหลักก็คือแค่นั้นเนี่ยแล้วก็มรณะสัญญากลัวภัยกลัวตาย ก็มีแค่เนี้ยแต่พ่ออาศัย <_: S 1> พ่อบรมศาสดาใช่ไหม<_:<_:พ่อบรมศาสดามาประทานกุศลศีลมาบอกเรื่องศีลอันนิสงของศีลว่าถ้าคุณมีถ้าท่านมีศีลเนี่ยนะจะดียังไงพ้นจากอภัยภัยยังไงพ้นจากสังสารวัฏอย่างไรจะเป็นฐานของสมาธิและปัญญาอย่างไรถ้าทุศีลแล้วจะลงอบัยทุกติวิบากนารกยังไงแล้วจะเจ็บปวดในสังสารวัฏยังไงก็ท่านก็บอก เข้าใจใช่ไหมที่ปัญญาอย่างนี้ชัดไหมเออถ้าอย่างนี้ชัดก็ก็เอาประทับไว้ในใจใช่ไหมแล้วก็ให้เดินอย่างต่อเนื่องลุกขึ้นอย่างมันหลุดใช่ไหะ ม, มันลุกขึ้นเอาหลุดอีกแล้วความเข้าใจหลุดอีกแล้วตอนนี้จะหลุดไม่ยมมอมบงคนฮะไม่ให้หลุดใช่ไหมถ้าจะหลุดก็น้อง น้อมเลยลึอันนี้เริ่มเห็นคุณของพรทธญาไว้ ย, วยงเห่นเห็นคุณของบุศรศรีลของพระธรรมเนี่ยศีลเป็นพระธรรมมาคุณเนีศีลเป็นพระธรรมคนที่ก่อผู้ที่กล่าวศีล น, นั่นคือพระพุทธญาเป็นพระพระพุทธญาคนที่ปฏิบัติตามศีลระดับโลกียะจนถึงชั้นโลกียะเขาเรียกอริยะเนี่ยยอมสุภะนาหงเนี่ย ต้องการจะทำตนเองให้เป็นหนึ่งเดียวในสาระคมให้ได้ยอะไหตอนนี้ยังไม่ถึงโลกุตระสาระคมแต่จะต้องเดินทางให้ถึงถ้าไม่ถึงเจ็บปวดนั้นตรงนี้ก็ก็ในลักษณะนี้ก็เรียกเจตสิกสีเนี่ยนะส่วนในกรณีที่คำว่าปรกากฏชัดหรือไม่ปรกากฏชัดก็เดี๋ยวค่อว่ากัน คงจะเดินไปจนถึงเดอนอ า, อางี้เอาเอาให้เอาให้จบจบตรงเจดนาสินเจษตรศิษย์ให้บริบูรณ์แล้วเวลายประมาณสิบห้านาทีนี่นะเดินเร็วเวนิดหนึ่งเอาเนี่ยนอนเอาฟังให้เข้าใจเอาอเอาฟังให้เข้าใจ ทีนี้กรณีที่เจตสิกศีนที่บอกว่าเาวรตีสามอนาปิชาพยาบาละสมมาธิิมีความวิเศษกว่าเจตนาที่เป็นจิอยู่โดยการที่เว้นจากการฆ่าการลักการประพฤติผิดในการมเว้นจากการลักการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบหรือเพ้อเจอ้อใจไม่โลกไม่โกรธว่ามีปัญญาประกอบเป็นต้นเนี่ที่สำเร็จกิจได้โดยภาวะที่ตนเป็นประธานในข้อนั้นน่ะ ในการนั้นเน่เจตนาหรือแล้แล้วก็นวิชาหรือต้นเนี่ยเป็นปฝักใฝ่เนี่ยก็คอยตามไปที่เจตนาในปรากฏชัดเป็นประธานในเวลาไหนในเวลาที่มีการสมาทานเนี่ยสมาทานเจตนาที่มีอนาคตเป็นอารมณ์มีปรากฏชัดเช่นเราสมาทานว่าเราจะไม่ฆ่าจะไม่รัจกจะไม่โกหกผิดในการมจะไม่พูดเท็จ จะไม่พูดส้อเสียครับอยาาเพ้อเจ้อจากไม่โลกจากไม่โกรธจากไม่หลงเนี่ยนะที่ตั้งกุศลให้สังเกตตัวที่ว่าเคยสังเกตคําสอนของพระบรมศ า, ศาสดามั้ยว่าถ้าคุณจะเป็นมนุษย์และเป็นเทวดาเนี่ยสี่ห้ากุศลกรรมบทสิบต้องชัดไม่ใช่แค่สี่ห้ากุศลกรรมบทสิบต้องชัดบางคนสมาทานแค่สี่ห้าแต่ไม่สมาทานกุศลกรรมบทสิบ แปลว่าไม่ได้เจตสิกสินในส่วนของความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ปัญญาเขาจะยังฉะนั้นต่อกลับไปเนี่ยเวลาไปสมาทานสี่5้าต้องสมาทานกุศลกรรมบท1สิบด้วยคือความที่งดเว้นจากกายทุจริตสามวจีทุจริตสี่มโนทุจริตสามแล้วก็ประพฤตในกายสุจริตสามประพฤตในวจีสุจริตสีและใน มโนสุจริตสามเพราะถ้าอย่างนั้นเราจะเก็บเจตสิกศีไม่ได้ว่าเก็บไม่ได้เนี่ยแปลว่าเราจะยังอัตภาพให้ไปถึงสุคติไม่ได้เราจะเป็นมนุษย์และเทวดาในพบต่อเถอะพบต่อไปถัดไปน่ไม่ได้เลยเพราะฉะังฉะนั้นคารวะไม่ได้อยู่แค่สี่ห้า ถ้าอยู่แค่สี่ห้าที่ผิดสุดจริตสามที่เป็นไปในส่วนของมโนสุจริตต้องได้เข้าใจยังยอมคลกลับไปก็ไปสมาทานบ่อยๆแล้วให้เข้าใจให้ตั้งใจบ่อยๆเข้าใจใช่ไหมมันจะถึงจะเข้าใจในเรื่องของเสียชัดถ้าอย่างนั้นมันก็วนกันอยู่อย่างเนี้ยรักษาเสียงก็ยังมาซ่ามองหมุนมัวกันอยู่นี่แหละ เพอเจตสิกศีลไม่เก็บเนี่ยการศึกษาศีลไม่บริบูรณ์มีโทษไหมล่ะ ม, ม, มีโทษเลยใจก็ไม่สบายแล้วจะไปเดินกุศลระดับสูงได้ยังไงจริงไหมก็เดินไม่ได้แล้วก็เป็นปัญหากันอยู่อย่างเงี้ยไปเรียนว่าทมก็เรียนไปสิแต่ก็ได้มโนทุจริตกลับมา กลัมาเหรคนนั้นว่าแล้วคนนี้สอนดีคนนั้นสอนไม่ดีไอ้คนนี้น่าเกลียดไอ้คนนั้นหน้ารักอะไรก็ไม่รู้ทำไมนะเข้ามาก็เบสเสร็จแต่งแยกแล้วนั่งไปไกลนั่งใกล้เหม็นนั่ ง, ง, งอะไรก็ไดอะไปใหญ่แล้วเข้าใจายไหมนีมันจะมาเป็นอย่างนั้นเพราะสุจริตไม่เดินโดยเฉพาะมโนสุจริตเข้าใจแนละ้วไม่จรนะมี่ชัดเจนไหม ไม่ได้ยินเลยอันนี้เราเข้าใจใช่ไหมฉะนั้นเจตนาที่เป็นประธานก็คือในขณะที่สมาทานเจตนาที่มีอน า, าคตเป็นอารมณ์ในสมาทานวิรัตหรือปัจจุบันเป็นอารมณ์ก็ในวัดปฏิบัติวิรัตนั้นปรากฏชัดคือถามบอกว่าพวกวิรัตีเนี่ย ปรากฏชัดตอนไหนถ้าเจตนาปรากฏชัดตอนตั้งใจเจตนาจงใจจะรักษาแล้วก็สมาทานคาว่าสมาทานเนี่ยไม่ใช่ไปเ ป, ปล่งวาจายอย่างเดียวก็ือตั้งใจพุ๊บเป็นแล้วถ้าเข้าใจเรื่องสีเนี่ยนะไม่ต้องไปอยู่ดอน้าพระพุทธเจ้าน้อมถึงพระพุทธเจ้าได้ทุกที่ใจอยางน้อมเลย ขับรถปุ๊บป๊บไปนเนี่ยเดี่ยวจะทำใจทำท่านหน่อยล้างบ้วนปากให้สะอาดใช่ไหมจัดแจงเพราะมันได้ที่ตรงนั้นแล้วน้อมสมาธิคิดประคงได้แล้วเปล่งวาจามาก็ได้แล้วคือตั้งใจมดเว้นเนี่ยถือเป็นสมาธาเท่าไหร่นะเจานี่นะถ้าโปรพื้นฐาน ร, ระดับนี้ต้องกลับมามาถามไม่เข้าใจเนี่ยไง บนหน้าเลยเดี๋ยวนี้ก็ย้ายยงสที่นี่ที่ไปรับพ้าเนี่ยเขาเรียกเป็นพิธีการเท่านั้นเองไม่มีพระรักษาไม่ได้ยุ่งเลยแล้วถ้าอย่างนั้นล่ะพ้าหมหาเชนกน่สมาทานบวชสวดศีลกรรมทะเล มีพระที่ไหนไปให้ศีลท่านเรือเรือก็จะโ่มอย่างนั้นถ้ายังโยมไไมอมยอมตายตหอทไมตายเป็นพระก็ไม่ไปนั่งนะ <c oughs> อยนนู่พูดได้ออกนอกเรื่องหนึ่งแต่จริงๆก็คือว่าไม่ต้องอาศัยพระอาศัยความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจสมาทานก็ไม่เป็นนี่เป็นยังไงเอาที่สมาทานย่อมหนุยฉีกตรงนี้เลยนเะนี่ยเรื่อง ปาดขีดอย่างนี้เลยเนี่ยใ่ไนี่ตรงนี้พอเข้าใจลเลยนะเอาพอเข้าใจตรงนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็ถ้าวิรัตนี่นะตัววิรัตีเนี่ยจะปรากฏชัดตอนที่มีอารมณ์ที่กำลังปรากฏ เช่นมีสัตว์ที่จะทำให้ฆ่าแล้วเราไม่ฆ่าอันนี้เป็นเวริเวรตีชัดหรือมีบุคคลที่จะให้เราพูดเท็จแล้วเราก็งดเว้นได้ในขนาดนั้นอันนี้เวรตีปรากฏชัดนี่เข้าใจใช่ไหมนะเจตนาสีและเจสิกสีเนี่ยเกี่ยวข้องกุศลกรรมบทเนยตามที่กล่าวไว้แล้ว ฉะนั้นเจตนาที่เป็นไปในกุศลรำมบทเน่ยนะโดยลําดับของบุคคลผู้ประหารอยู่ซึ่งทุเจติตั้งหลายมีปานาดิบัติเป็นต้นทีนี้นเจตนาที่เป็นไปในลักษณะว่าจักไม่กระทําเป็นต้นเราจักไม่ทําเราจักไม่ฆ่าเป็นต้นเนี่ยประหารอยู่ซึ่งอำ น, นาจของเจตนาศีลเป็นต้นเนี่ยนะส่วนถ้าเอกว่าเจตสิกศีลก็บอกว่ากระทํา กรณีการที่จะงดเว้นจากบาปประรมทั้งหลายที่เป็นไปในเรื่อ ง, องการที่จะเป็นไปที่จะงดจากเว้นจากอากุศลกรรมบทชศีอันนี้ก็เป็นเจตสิกสีนที่เป็นไปในส่วนของสัมมาวจาสัมมาธรรมต า, มตาสัมมาชีวะแล้วก็เป็นอนาวิชชาอภิญญาบาระสมาธิตรงนี้เขาก็เกิดต่างกันในลักษณะอย่างนี้อันนี้พอจะสรุปได้พอพอประเด็นนิดหน่อยตรงนี้นะอาตรงนี้เปิดประเด็นให้ถามหนึ่งข้อแล้วได้สรุปจบ ยังไม่จบไปตัวสังวรศีลเก่าวีติกรรมศีลก็ถ้ามีโอกาสก็อ่อยต่อถ้าไม่มีโอกาสก็ศีลยังไม่จบศีลยังได้มาแค่แค่นี้นิดยังไม่ยังไม่ได้ไปสรุปตรงคําว่าศีลละนะยังไงเลย ตรงเนี้ยแค่บอกรายละเอียดนะยังไม่ได้ไปประชุมครรมวิสีระนาะทาำกายกรรมวจีกรรมให้ตั้งไว้ด้วยดีไม่เกินกนไม่กระจัดกระจายยังไงแล้วก็เป็นคุณธรรมรองรับเป็นฐานรองรับเป็นภาชนะรองรับคุณธรรมเบื้องสูงกล่าวคือสติปัฏฐานสมบัติฐานอธิบาย อ, อ, อินทรีพระพุทธชงอริยมรรอย่างไรยังไม่ได้ไปอธิบายตรงนั้นเลยเข้าใจใช่ไหมอันนี้อธิบายเพื่อเห็นความต่างกันระหว่างเจตนาศีลกับเจตสิกศีล แล้วก็ยกตัวอย่างประกอบบ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะหมดเวลาแล้วนี่หมดเวลาแล้วนี่เป็นไบลัลณะรอย่างเนี้ยแต่ว่าจริงๆแล้ว่ะเรื่องสีนั่นต้องต้องเข้าใจให้มันชัดชัดกว่า น, นี้จริงไหมโยนโอ้โหตรงนี้ก็ถือว่าได้ระดับหนึ่งนะเราท่านทั้งหลายก็ไปพอกคูณ ว่าพระบรมศาสดามีอุตสาหะบำเพ็ญบารมีมายี่สิบสองขายยิ่งด้วยแสนมหากรควรจะประทานกุศลศีลเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสจะพ้นจากอบัยภูมิและพ้นจากวัฏทุกรได้นั้นน่ะพระองค์ต้องเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนอย่างไรก็เห็นคุณของพระบรมศาสดาให้ชัดนอบน้อมคุณของท่านให้ชัดให้ลึกซึ้งถ้าอย่างนั้นเราจะไม่เห็นประโยชน์อริยรัพย์ก้าคือศีลเลย แล้วเราก็พากันละเลยวิ่งผ่านไปผ่านมาไม่เห็นคุณของพระบรมศาสดาก็น่าเสียใจนะใช่ไหมครัเราท่้นทั้งหลายก็ต้องมุ่งมันถ้าปรารถนาในการที่จะพ้นจากว่าตาคพ้นจากทุกข์ถ้า่างนั้นเราจะได้ไม่แช่อยู่นี้ก็จะทุกข์เป็นต้นไปนี่ก็สมคเรเยวเวลานะอ่าถามได้อ่ะอยก่อน ดำเนินหรือเดินยังไะคําว่าดําเนินหรือเดินก็แปลว่าทํากุศลศีลให้เกิดไปบ่อยทําให้เกิดเสมอๆทําให้เกิดอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นเหมือนโยมมงคลจะไปบ้านเนี่ยถ้าเดินจากนี้ไปเนี่ยนะถ้าไปหยุดแล้วมันจะไม่ถึงบ้านใช่ั้ม นั้นมันจะต้องเดินไปเรื่อยๆเพื่อจะให้ถึงบ้านแล้วถ้าต้องการอยากใย้ถึงเร็วต้องรีบเร่งก็ต้องเพียรพยายามต้องระดมความเพียรค่อนข้างเยอะกรณีอย่างการเดินกุศรศีนเป็นต้นก้อนระยะอย่างนี้นก็แปลว่าต้องไม่ให้กุศรศีลหยุดชะงักเป็นระยะระยะต้องเดินให้ต่อเนื่องก็เลดำเนินไปแล้วก็เดิน ใช้คำอัอกตริยางการเดินให้รู้แต่เวลาตัวกุศลศีลเกิดตอนนี้เราเริ่มรู้จักศีลบางแล้วรู้จักเจตนาเจตสิกต่อไปก็มีหน้าที่ในการถัดดันขับเคลื่อนทําให้เจตนาศีลเดินทําให้เจตสิกศีลเดินถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้หยุดชะ ง, งักก็ใช้ปัญญานั่แหละในการที่วิจัยพิจารณาเห็นคุณของพวกโรมศาสดาเห็นโทษของสังสารวัตเป็นต้นก็ ขับเคลื่อนพับดันให้กุศลศีลเดินไปอย่างต่อเนื่องเข้าใจไหมนี่ เ, เรียกเดินหรือดำเนินไปพอเข้าใจเนาะเหมือนรถเนี่ยขับไปแล้วมันเกิดน้ํามันหมดหรือเกิดเสียกำลางทางจะดําเนินไปถึงบ้านได้ไหมจะเดินไปถึงบ้านไม่ได้วิ่งถึงจุดหมายปลายทางไม่ได้กุศลศีลของเรายังไม่ถึงโลกุตระมักเพียงไรเราหยุดเดินไม่ได้ต้องเดินกุศลศีลอันเนี้ย ขับเคลื่อนกุศลศีลเนี่ยให้ไปตามลำดับเพื่อถึงประชุมในโลกุตละเฮดานนั่นคือเป้าหมายของทุกคนเข้าจใจไหม น, น, นั่นแหละเป็นกิตที่พระบรมศาสดาบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตอันใดที่ตถาคตกระทำบกแต่พวกเธอจิตอันนั้นตถาคตทำแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนั่นรองฟาง ือจงไปจงะระดมความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งอย่าได้มานั่งเสียใจนะภายหลังตอนนี้มานั่งเสียใจกันเรื่องเสียใจแล้วเพอเราปล่อยสังสารวัฏผ่านมาสองพันกว่าปีพระเจ้าทำกิจของพระองค์เป็นแสงบอกละเอียดทียิบ พระองค์ทำกิตของพระองค์บริบูรณ์แต่พวกเรานี่ทำกิตของตอนเองไม่บริบูรณ์นะแล้วเราก็เลยมานั่งทกใจเสียใจกันอยูอย่เนี่ยโอ๊ยปวดหัวเหลือเกินโอ๊ยจะต้องทำโน้นทํานี้เนี่มันนั่งเสียใจไปหลังเพราะเราไม่เชื่อพระบรมศาสดาใช่ไหมก็จําใส่ใจไว้ว่านีพระศา ส, สดาทํากิตของท่านเสร็จ แ, แต่พวกเรายังทํากิจของตอนเองไม่เสร็จเลยยังไปไม่ถึงไหนเลยเนะ่ ต้องระดมความเพียรนย่างนเดนี๋ยนี้ต้องระดมเพื่อถึงธรรมเพื่อบรู้ธรรมเพื่อทำให้แจ้งจะได้ไม่เสียใจในภายหลังจะได้ไม่ปวดใจในภายหลังจะได้ไม่ทุกข์ใจในภายหลังจะได้ไม่มานั่งร้องไห้ใช่ไหมถ้าวันละร้องไห้จนน้ําตาเป็จนจนเยอะมากกว่าน้ําในมหาสมุทรกันอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่เห็นโทษของสมามสารวัตรกันสักทีใช่ไหมพระศ า, ศาสดามีพระอรหานกรุณามีพระเมตตาใช่ไหม กระานให้แล้วแล้วเราๆแต่เราก็ไม่เจาะถึงพระธรรมของพระเจ้าสักทีเลยก็เลยไม่ได้ขัดเกา่ากันเข้าใจใช่ไหมแต่นี้ก็ก็ล่งระดมกันต่อไปก็อุมคถ า, าสังคาห์คถ า, าสังคาหคถาสังฆาหก็เป็นเป็นหมวดของ ของเกี่ยวกับในเรื่องของออการรวบรวมการรวบรวมคาถาถ้าเป็นการรวบรวมพุทธพจน์ก็เรียกการรวบรวมพุทธพจน์ร้อยกองเป็นคาถาคำว่าค า, าถามันก็เป็นออบทขับอย่างยกตัวอย่างที่บทสวดบทขับทั้งหลายใช่ไหมเป็นคาถาทั้งนั้นอะอะพิวดนนะสีริสา นิจังวุดาปจายโนเนี่ยชาดารดูดามาวทันติอายวันโนสุขังบลังเนี่ยนี่เป็นขาขาเป็นบทขับเข้าใจใช่ไหมเนี่ยลักษณะเนี้ยลักษณะเนี้ย่แต่ก็คือนั่นแหละท่านมารวบรวมคำว่าสังหามารวมันร้อยเกาะมารวบรวมทำให้เป็น เราจะได้สาทายจะได้เกิดความลึกซึ้งในพระธรรมคาสอนของพระบรมาาศาสดาเป็นต้นเนี้